4. โพชนวัรเกปณิตโพชนสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอโพชนะอันประณีตเรื่องพระชาพคี257สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพคีออกปากขอโพชนอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉัน พวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพลทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรจึงออกป่าขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันเล่าพัฒหารที่ดีใครจะไม่พอใจพัฒหารอร่อยใครจะไม่ชอบเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนีประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนีประนามโพลทนาว่าฉนัยพวกพิสูตชาวพาัีจึงออกป่าขอโภชนะอันประณีต